จะให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเราเจริญสติเราจเจริญสัมชัญญะเป็นการให้ข้อมูลกายให้ข้อมูลจิตใจให้กายได้รับข้อมูลคือความรู้สึกความระลึกได้ให้จิตใจได้รับข้อมูลคือความรู้สึกความระลึกได้อยากให้เขาได้ไปรับข้อมูลนั้นดึงทำไมข้อมูล มีสติสัมปชัญญะแล้วเขาก็สุขสนไปเอาข้อมูลนั้นถ่นหลายอย่างความพอใจความไม่พอใจความยินดียินไล่อะไรต่างๆจนเป็นจรลิดนิสัยกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นรลักาโทสะโมหะไปออกหน้าออกตา่อนพูดก่อนทำ่อนคิดแต่ไม่เคยมีสติสัมปชัญญะเลย เราจึงมาฝึกตนมาฝึกตนบทฝึกหัดบทลำนำเขาต้องลำนำลำดับใส่ความรู้สึกเพิ่มความรู้สึกเข้าไปจึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบเพื่อไต่เต้าเพื่อเป็นที่ตั้งเพื่อเป็นนิมิดเป็นที่วางมาก็บบรรทัดเขียนหนังสือใส่บรรทัดให้มันถูกที่ถูกทางมันก็ อ่านออกเข้าใจชีวิตของเรากข้มืกันวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ให้ข้อมูลให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกายของจิตก็เป็นวิชาที่สอนตัวเราแท้ๆนี่แหละอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอื่นเลยเป็นวิชาเป็นเรื่องที่สอนตัวเราการสอนตัวเราไม่ใช่เหตุผลอะไร สร้างสติลงไปสร้างสติลงไปวิธีใดที่จะมีความรูส้สึกตัวหามาเอากายเอานี่แหละเป็นวัสดุก่อนเป็นการเริ่มต้นมันก็มีจริงจิงกายมันก็มีจริงๆิงสติมันก็มีจริงๆริงรีบรูปแบบก็มีจริงๆริงลักษณะก็มีจริงถ้าเดินก็เดิ น, ดนจริงๆริง มือวางไว้บนเขา่เขามันก็วางไว้บนเข่าจริงๆก็ยกมือเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ไปหาไม่ต้องไปใช่ปัญญาไม่ใช่เหตุใช่ผลเป็นการสัมผัสเป็นการลงพื้นที่ไปจุ่มเอาภาษาคลิปศ า, าสนาคลิปเขาเรียกว่ายาปักไปจุ่มเอาลงดูยาปัก เป็นการศึกษาที่ถึงเนื้อถึงตัวสมัยหนึ่งเขาให้หลวงพ่อไปศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปดูกลุ่มคิดทศศาสตร์สารทีนั่นแล้วกลุ่มที่นั่นก็มีหลายระดับระดับจนที่สุดคื อ, อคือสลัมบานกลางก็คือผู้คนธรรมดาที่ สูงสุดก็คือกาบอดีเศรษฐีทั้งหลายไปจุ่มลงดูไปจุ่มกับคนจนไปอยู่กับสลัมได้ไปสัมผัสกับความจนเราก็จนกับเขาเข้าห้องน้ำไม่มีน้าอาบที่นอนไม่มีเราก็นอนแบบเขาห้องน้ำก็ไม่มีสระอาอะไรน้ําก็ไม่ค่อยมีเราก็เราก็ใช้ความ สำรวมระมัดระวังในเสลุยสุล่ายการโขบการฉันก็ต้องระมัดระวังไปจุ่มลงดูก็รลู้จากว่าความจนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สะดวกเป็นอย่างนี้ความไม่สะดวกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็การที่ไปจุ่มเอาแบบนั้นเราได้ปรับเนือ้อปรับตัวมีผ้าปูนอนสุขปกเม็ดสาบ เราจะนอนอย่างไรเราก็มีถ้าอาบน้ำผืนเล็กๆพอรองข้างตัวเองได้ขวาบาทเป็นหมอนหมุนนอนไม่ต้องกระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกมันจะไปถูกผ้าผูนอนที่มันเลอะเลอะเถอ ะ, ะ, ะ, ะเราก็ทําได้เราสมัครจนเราสัมผัสกับความจนแต่ว่านั่นมันเป็นภายนอกแต่ว่าการศึกษากับมาตรฐานมันเป็นสัมผัสกับจริงกว่านั้น มีสติลงไปที่กายกายก็มีจริงมีหลักมีฐานเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยก็มีจริงในสัมผัสตูขณะที่สัมผัสกับกายขณะที่สัมผัสกับเวทนามีสติมีสัมปชัญญะขณะที่สัมผัสกับกายกับเวทนากับความคิดกับธรรมถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ได้ไปจุ่มลงดูมันก็ตเลดิดเปิดเปิงไปทางอื่น ก็ไม่เห็นหลักเห็นแหลงไม่เห็นหลักเห็นฐานเราจะทำอะไรถ้าไม่ได้หลักฐานมันก็สำเร็จได้ยากการศึกษาธรรมะการที่จะบรรลุธรรมมันต้องมีหลักมีฐานพอสมควรเราจะมาดูหลักฐานมีกายมันก็มีดูบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆกายเป็นเรื่องของความรู้สึกความระลึกได้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีความระลึกได มีความรู้สึกตัวกับกายเมื่อมีความระลึกได้มีความรู้สึกตัวกับเปรทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อมีความระลึกได้ขณะที่คิดที่มันคิดแล่นไปโลดแล่นไปมีสติสมัญญาขณะที่มันไม่ได้คิดก็มีสติสมัญญามันจะเกิดอะไรขึ้นให้เราทำตรงนี้ให้เราทาตรงนี้จึงจะชื่อว่าวิชากรรมฐานมันจึงจะได้หลักได้ฐาน มันจงจะเห็นความเท็จความจริงมันเป็นอย่างไรสัมผัสกับความเท็จสัมผัสกับค ว, ก ค, วความจริงความเท็จความจริงที่มันจะเกิดขึ้นที่จะได้พบเห็นต่อเมื่อได้สัมผัสของจริงเห็นกายสติมีในกายก็มีจริงสติมีในเวทนาก็มีจริงสัมผัสกับของจริงกริงแบบไม่จริงจริงแบบจริงก็ไม่เหมือนกัน จริงแบบจริงก็สัมผัสลองดูแล้วกริงแบบไม่จริงก็สัมผัสลองดูแล้วสัมผัสบ่อยๆพบเห็นบ่อยๆเจอคนบ่อยๆของเท็จก็เจอบ่อยๆของไม่เท็จของกริงก็เจอบ่อยๆมันก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมดาจนเห็นเป็นรูปเป็นนามรูปมันก็เป็นรูปเพียงกิ่ง ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่ในรูปได้คำว่ารูปน่ะถ้าไปเห็นเป็นรูปแล้วเรียกเก็เห็นเป็นกายเมื่อเห็นเป็นรูปแล้วนะมันก็สรุปสรุปเลยไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปได้รูปมันเคยเป็นยังไงก็ต้องเป็นรูปอยู่นั่นตลอดเวลาแล้วเราไปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในรูปเราก็มอมเหมาตัวเองให้ เห็นของกิของไม่จริงว่าเป็นของจริงเห็นของกริงว่าเป็นของไม่จริงแต่เห็นกายมีสติสมชัญญะโดยเห็นตามความเป็นจริงของกริงเห็นของกริงคือมันจะต้องเป็นของจริงเห็นของไม่จริงว่าเป็นของกริงว่าเป็นตัว เ, เป็นตนแต่เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วมันจะบอกเห็นตัวเป็นตนอยู่ในกายอยู่ในรูปแต่เห็นจริงๆแล้วไม่เป็นอื่น เกี่ยวข้องกับกายถูกต้องดังที่เราสวดมืดตะกีนี้มันก็จะมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกคือรสชาติโลกคือรสชาติรส ช, ชาติที่มันเกิดขึ้นกับกายมีหลายอย่างรสชาติที่เกิดขึ้นกับกายมีตัวมีตนมีพบมีชาติอยู่ในกายด้วยมีความเยินดีมีความสุขความทุกข์อยู่ในกายด้วยเดี๋ยวพบชาติที่เอากายเป็นที่เกิด เมื่อเราไปเห็นเป็นรูปเป็นนามเราก็มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีตรงไหนที่จะเป็นพวกเป็นชาติมันเป็นรูปจริงจริงตัวเห็นก็เห็นจริงๆว่ามันเป็นรูปตัวรูปมันก็บอกว่านี่ฉันคือรูปอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาเป็นใหญ่ฉันแต่จะมาเอาฉันมาเป็นใหญ่แล้วไม่จริงไม่ถูกไม่ต้องมันก็บอกเราก็เห็นจนจนรูปแจ้งรูปแจ้งในรูป เรื่องของรูปกลายเป็นปัญญากลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิเรื่องของรูปไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเหมือนเมื่อก่อนเห็นเวทนาอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับนามมันก็ต้องมีคนยังไม่ตายมันก็ไม่รอดไม่หนาวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิว อะไรต่างๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นรูปเป็นนามมันก็ไม่เหมือนท่อนไม้ท่อนปืนก้อนอิฐก้อนหินเขาก็แสดงสิ่งที่เขามีเขาก็แสดงเฉยๆเราก็ไปสําคัญมั่นหมายว่าเราสุขว่าเราทุกข์สำคัญมั่นหมายว่าสุขว่าทุกข์แล้วไม่พอยังไปสําคัญมั่นหมายไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตน ยึดเป็นตัวเป็นตนเรายัางไม่พอยังไปอดตัวตนที่ยึดขึ้นมานะว่าผิดว่าถูกว่าสุขว่ทุกข์หลายลืกก็ไปดับเปิ่นเข้าไปหลายชั้นเข้าไปในโูกก็มีโูกในโูกในเวทนาก็มีเวทนาในเวทนาแต่เวทนาเฉยๆมันไม่เป็นอะไรมันมีเวทนาในเวทนาในเวทนามันมีสุขในทุกข์ในเวทนา เทเวธนาเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนันก็เป็นธรรมก็ฉลาดไปเลยเห็นจิตวะน่ะนะจิตก็คือมันคิดมันรู้อะไรได้พอมันอยู่กับลูกถ้ามันตากแดดมันก็รู้ร้อนถ้าถูกละอองฝนมันก็รู้หนาวถ้าเดินนานๆนก็รู้ปวดรู้เมื่อยนั่งนานก็รู้ปวดรู้เมื่อยนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวนั่งนานเกินไปก็ไม่อยไหวเดินนานเกินไปก็ ไม่ไหวมันเป็นรูกมันเป็นน้ำเพราะรูปน้ำมันต้องมีอาการมันไม่มีใครที่เป็นใหญ่ได้กับรูปกับน้ำที่มันเป็นอาการรูปนามเรียกว่าเป็นอาการอย่ามาเป็นใหญ่อาการฉันสุขฉันทุกข์ฉันร้อนฉันหนาวฉันชอบฉันไม่ชอบอาการที่เขาเกิดขึ้นก็ไปเอาความชอบอาความไม่ชอบความพอใจในความไม่พอใจ แล้วก็กลายเป็นพกเป็นชาติลืบเข้าไปอีกมืดเข้าไปอีกปิดไปอีกได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะนามที่มันแสดงออกเรียกว่าทุกผลลภาพทางลูกทางนามลูกมาเป็นสุขลูกมาเป็นทุกข์นามมาเป็นสุขนามมาเป็นทุกข์เรียกว่าทุกผลลภภาพเมื่อลูกมันทุกขลลภาพอะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เพรลูกมันก็มานก็ได้โอกาส มันก็ผานลงไปเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่รูกเป็นสุขเป็นทุกข์มาเลยใช่รูกเป็นสติเป็นปัญญาถ้าเรามิตรทุพันธุภาพเหมือนกับชีวิตเราอ่อนแอก็เกิดโลกแทรกซ้อนไม่เข้มแข็งแตามีสติสมัยชัญญ้นยะก็ถือว่าไม่ทุพันธภาพแล้วแข็งแกร่งเพราะมันมีความแข็งแกร่ง อะไรก็ทําลายไม่ได้เช่นน้ําถ้ามันไหลลงตรงไหนมันก็ทําลายตรงนั้นชีวิตก็เราถ้ามันไหลเป็นสุขตรงกายมันก็ทําลายกายถ้ามันเป็นทุกข์ตรงกายมันก็ทําลายกายทุกข์กายมันก็ทําลายกายทุกข์ใจมันก็ทําลายจิตใจเพราะมันเป็นที่ไหลเป็นที่ทับหน้ามันไหลผ่านตรงนั้นมันก็ตรงซาะลงเป็นโศกเป็นเถว์จุดอ่อนอยู่ตรงนั้นมันก็อ่อนตรงนั้น เอาลูกมาเป็นสุขเอาลูกมาเป็นทุกข์เอานามมาเป็นสุขเอานามมาเป็นทุกข์เอาลูกมาบัญญัติเอานามมาบัญญัติเอารูปมาสมมติเอานามมาสมมุติซ้อนเข้าไปอีกตายเห็นลูกเฉยๆไม่ได้เฉยแล้วไปบัญญัติถือว่าชอบว่าไม่ชอบหูได้ยินเสียงเป็นธรรมดาเป็นลูกเป็นนามันต้องได้ยินเป็นธรรมดาเราก็มีสมมติบัญญัติมีความหลงเราก็มีสมมติบัญญัติ ไปสำคัญแล้วก็มีอุปทานไปยึดเ่าเป็นพกเป็นชาติอยู่ในบัญญัติหลายชั้นต่อไปอีกก็คกว่าน้ามเหลวทั้งนั้นเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนั้นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะภพชาติก็ขยายขยันถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็คมกำเนิดตายลู้สึกมันก็ถอนออกมาได้ อันเดียวความรู้สึกตัวมันเป็นตัวเฉลยหลักเดียวภาษาที่พูดกันอยู่บ่อยๆคือดูคือดูนะให้เห็นเราไปมันสุขก็เห็นเลยพูดแบบนักปฏิบัติมันสุขก็รู้สึกระลึกได้อยู่มันทุก็รู้สึกระลึกได้มันรู้ <S 1> <S 1> <S 1> <S ก็รู้สึกระลึกได้มันไม่รู้ก็รู้สึกระลึกได้มันสงบก็รู้สึกระลึกได้มันไม่สงบก็รู้สึกระลึกได้ ในตัวทางทางมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทางที่จะต้องไปท่องปันโบนการู้สึกและเลิกได้ก็ผ่านแล้วมันสุขรู้สึกและเลิกได้ผ่านความสุขไปแล้วมันทุกข์รู้สึกและเลิกได้ผ่านความทุกข์ไปแล้วมันยินดีมันยินไลรู้สึกและเลิกได้ผ่านความยินดีผ่านความยินไลไปแล้วไม่ทุพพลภาพเข้มแข็งตรงนี้เสริมตรงนี้ไปได้ก็ไปแบบนี้ ผ่านก็ผ่านตรงนี้ถ้าไปสุกไปทุกไม่ผ่านถูกกักถูกขังเสียจแล้วในเราปฏิบัติทำมันต้องมีหลักฐานได้หลักได้ฐานแต่เป็นการฟ้องก็จะเอาให้เกิดกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาถ้าไม่ได้หลักฐานความยุติธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้มันก็จะต้องมองเมาจะต้องเถื่อนอยู่เช่นนั้นใจก็เถื่อนใจเกาเถื่อน อะไรก็เถื่อนไม่มีความเป็นธรรมในชีวิตเพราะไม่ได้หลักฐานอะไรมาก็เอาตะพึดตะพือบ้าหอบควางแล้วก็มีวิธีอะไรเยอะแยะเจ๊เจขัดเจ๊จนเสือเขาะสสดโชคก็มีต่อไปอีกเยอะแยะไปหมดเลยเอาบุญอยากได้บุญกลัวบาปมีแต่กลัวมีแต่อยากได้ กลัวบุญเอาควัวบาปแต่ว่าไม่เห็นบาปอยากได้บุญไม่เห็นบุญมันก็ไม่ได้สักอย่างกลัวบาปคนนี้บาปไม่เป็นอยากได้บุญก็ทําบุญไม่เป็นเอาบุญไม่เป็นเพราะไม่ได้หลักฐานแต่เราไม่เห็นมามีสติเห็นกายเนี่ยมันจะได้หลักฐานได้หลักฐานยึดไปเรื่อยๆคลองพื้นที่ไปเรื่อยๆมีสติครองกายแนบแน่นเป็นสมบัติของกันและกัน สติต้องเป็นสมบัติของกายกายก็ต้องเป็นสมบัติของสติจิตใจก็เหมือนกันต้องเป็นสมบัติของสติมันได้หลักใต้ฐานความทุกข์ไม่ใช่กายความสุขไม่ใช่กายความทุกข์ไม่ใช่จิตใจความสุขไม่ใช่จิตใจมันเป็นจิตมันเป็นนามมีแต่ปัญญาปัญญาเท่านั้นที่เป็นเรื่องของกายของจิตใจไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ถ้าสุกทุกข์มันก็จเอากายไปห้อยไปแขวนไว้กับวัตถุสิ่งอื่นแล้วก็ล้มลูกคบขานผู้ปฏิบัติธรรมเห็นอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นอาการเห็นวัตถุเห็นวัตถุเห็นอาการวัตถุก็คือตาเราเนี่ยเป็นวัตถุรูปก็เป็นวัตถุเมื่อมันเห็นกันแล้วก็เกิดอาการอาการที่เกิดการเห็น เมื่อเห็นแล้วไม่มีสติก็บัญญัติสมมติไปความพอใจความไม่พอใจกลายเป็นสมมุติบัญญัติความรู้สึกตัวเป็นปรมัสตร์สัจจะความโกรธเป็นสมมุติความทุกข์เป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นปรมัตรแต่เราไม่ค่อยเห็นเป็นอย่างนี้เห็นก็เห็นอันเดียวไม่เห็นเป็นทางเหมือนกับถ้าเห็นทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ มันจะเก่ถูกเ้าเห็นความโกรธก็ต้องมีความไม่โกรธเขาเห็นความหลงก็ต้องมีความไม่หลงนี่คือการศึกษาจริงๆต้องสัมผัสได้แบบนี้ถ้าไม่สัมผัสแบบนี้ก็ผ่านไปไม่ได้หรอกโซ่ไม่แจ่กคุณแจ่ไม่ไชไม่ไขเข้าไปไม่ได้โกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายถ้าได้อารมณ์ของกรรมฐานมันไปจริงๆไปจากความหลงไปสู่ความไม่หลงไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์ ไปจากความโกรธไปสู üler, ่ความไม่โกรธแม้มันจะโกรธเองก็ไปโกรธทีไรมันก็ผ่านไป ไ, ได้หลงทีไรก็ผ่านไปได้ทุกทีใดก็ผ่านไปได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าทางผ่านเรียกว่ามัดมัดก็คือผ่านไปแล้วไม่ใช่ไปอยู่คำว่าผ่านเคย อ, อยู่ข้างหลังแล้วความหลงอยู่ข้างหลังแล้วความโกรธอยู่ข้างหลังแล้วความทุกข์อยู่ข้างหลังแล้วแม้มันมีอีกเท่าไรมันก็เอามาไว้ข้างหลังไ ด, มงงได้มันจึงเป็นการเดิน เราเดินน่ต้องเอาบ้านนั่นไว้หลังเอาเมืองนี่ไว้หลังมันจึงเป็นการเดินทางเรียกว่ามัดมันก็พิสูจน์กันได้แบบนี้เรียกว่าข้ามล่วงแบบนี่ล่วงพ้นภาวะเก่าแบบนี้ไม่ใช่รุ่นเราคำคเนคำนวณสุ่มไม่ใช่แบบนั้นมันเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นรูปมาทำเป็นนา ม, มาทำในรูปในนามที่มันเห็น สิ่งที่ตามเฉลยคือใจลักอยู่ในสภาพที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมที่มันเป็นสมมุติที่มันเป็นบัญญัติแล้วเป็นหลงสําคัญว่าเสียงนั่นเป็นเราเป็นเขาเช่นความโกรธความโกรธที่มันเกิดขึ้นจากความหลงมันไม่เที่ยงความไม่หลงมันเที่ยงความไม่ทุกข์มันเที่ยงความไม่โกรธมันเที่ยงมันจริง พวันนั้นจึงเหลียวไหลไปเห็นความโกรธความโลภความหลงเป็นเรื่องเหลียวไหลเป็นเรื่องสุกปกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่เห็นครูดแล้วก็ไม่เข้าไปแตะไปต้องไม่เหมือนเด็กเด็กที่เห็นครูดก็ก็เล่นมอมแมมได้แต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่มอมแมมเหมือนเด็กความหลงมันกับมอมแมมความโกรธมันกับมอมแมมทําให้สุกปก เราก็สะอาดแล้วบัดสะอาดคือยังไงสะอาดคือพรหมจรรย์ภาวะที่รู้ที่ดูที่เห็นเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ภาวะที่เป็นมันสกุกโป๊กเอ า, ามันอยู่นี่แล้วเพราะมันต้องผ่านตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันจึงจะเป็นการข้ามล่วงหรือพัฒนาจากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์เป็นพระแ่ะนี้ที่สุดคือความเป็นพระ เป็นได้เพราะการปฏิบัติเป็นได้เพราะรู้จักอารมณ์อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเลือกเป็นจึงจะเลื่อนฐานะเป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือเป็นคนเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระเอาแค่สามระดับนี่ก็ได้เป็นคนคือมันโปนกันควมไล่ค่มดีเป็นมนุษย์มันก็เห็นเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นมนุษย์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์อะไรต่างๆที่มันแสดงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นมนุษย์ต่อเห็นเราก็มีสติสมัชัญะมีศีลมีสมาธิมีปัญญากําจัดกิเลสกิเลสคือสิ่งไหนที่ทําให้เศร้าหมอ ง, มงําจัดลงได้มากก็เป็นพระมากกําจัดลงได้น้อยก็เป็นพระน้อยๆ คมจัดสิ่งที่เศร้าหมองกันเกิดขึ้นทําให้หลงทําให้โกรธจึงจะเป็นพระถ้าโกรธอยู่ไม่ใช่พระแต่ทุกอยู่ก็ไม่ใช่พระถ้า ง, งมงายอยู่ก็ไม่ใช่พระพระคือประเสริฐประเสริฐคือยังไงไม่หลงสิ่งที่เคยหลงไม่หลงสิ่งที่เคยทุกไม่ทุกสิ่งที่เคยโกรธไม่โกรธเราประเสริฐกว่าเก่เาไม่เปิดไม่เพื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปทางนี้ คนเราจึงสัมผัสจริงๆเพียนพยายามที่จะรู้สึกตั ว, ร, ต ว, ว, วรู้สึกตัวแล้๋ยวคมรู้สึกตัวเราก็ทําได้จริงๆเพียงกระดิกนิ้วมือก็รู้ได้แล้วหายใจเข้าก็รู้ได้แล้วคืนน้ำลายก็รู้ได้กระพริบตาก็รู้ได้ยิ่งพวกเรามปเจตนายกมือสร้างเสวะยิ่งเป็นอติเลกกระลากของเราหน้าที่โดยตรงพากันไปเดินจงกรมอยู่ศาลาพากันไปนั่งสร้างเสวะศาลา เป็นกัะยามิตรเป็นมิตรมันก็อัติเทธกระลาบเป็นอัติเทธ์กระลาบของพวกเราไม่มีอะไรถูกแบ่งเว่มแต่ความหลงมันจะแบ่งอันดื่นไม่มีมันเกิดกับเราเท่านั้นมันหลงมันสุขมันทุกข์มันจะแบ่งทำให้เกิดหลงไปแล้วก็แค่นี้เองแล้วก็เพียรรู้ไม่มีใครมาลอกมาเรียกไม่มีใครมาใช่ให้เราทำงานทาการ อันอื่นไม่มีมันก็ตัวเราเองที่มันหลง้อเราเห็นตัวเราที่มันหลงมันก็ค่อยฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องเห็นเราดูอยู่มันไม่เห็นได้ไงมันแสดงความสุขความทุกข์มันแสดงอยู่ที่รูปที่นามความหลงความไม่หลงแสดงอยู่ที่รูปที่นามก็เห็นเลือกได้เห็นเรื่องเก่าเรื่องเก่ามากหลายครั้งมันก็ต้องรู้จักชัดเจนแม่นยา กลูกแยนแทงตลอดไปแบบนี้ปฏิบัติธรรมนะีย่ยเดียวไปเอาเหตุเอาผลไปเอาคำนวนณคณิตคิดนะไปไม่ใช่สัมผัสกับกายไปเลยกายานุปัสนาสานาติปัฏฐานอริยปสีวิหารติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มีความเปลี่ยนมีสติมีความเพียนเครื่องผู้เลมีสติ มีสมัชัญญะมาทางนี scraping, ้กลับมาทางนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่สติไม่สมัชัญญะความเพียรคือกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้กล้าที่จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์กล้าตรงนี้ลองดูเปลี่ยนลองดูแ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่กล้าไม่มีความเพียรความเพียรไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปความเพียรคือกล้าสร้างความรู้ เวลาใ้มันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยเรียกว่าความเพียรแต่มันหลงไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่ใช่ความเพียรแม้เดินอยู่นั่งสร้างสติอยู่เขาไม่ใช่ถ้ามันหลงก็ปล่อยมันหลงไม่ใช่ในความเพียรถือว่าเกลียดขานพิสูจเกลียดข้านพิกูุประมาทพิสูไม่ประมาทไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาท ยอมละคนโง่ไปไกลเหมือนหมาที่มีผีเท่าดีละหมาที่ไม่มีกําลังฉันนั่นแต่มันความประมาทเราก็รู้สึกตัวไม่ประมาท อ, อ็ไม่มีอะไรที่จะแสดงให้เราเห็นชัดเท่ากับตัวเราว่า ม, มีอะไรที่จะหลอกตัวเราได้กับตัวเราไม่มีตรงไหนที่ทําให้หลงมากกว่าตัวเราไม่มีอะไรทําให้ทุกข์ให้โกรธมากตัวตัวเรา ถ้าเราดูดีๆแล้วมันอยู่กับเราเท่านั้นเองคนอื่นทําให้โกรธคนอื่นทําให้ทุกคนอื่นทำไมหลงไม่จริงแต่แท้มันหลงที่เรานี่แหละเพราะไม่มีสติถ้ามีสติแล้วมันคนอื่นก็ไม่เจี่ยวไม่ไม่ใช่เด็ดขาดแต่เนี่เราก็ไปโทษโน่นโทษนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองตามความเป็นจริงไม่แก้ไม่กลับไม่มีสติไม่ตั้งมั่นไม่ใส่ใจไม่ลําดับไม่ลํานำ กระท็ต้งความหลงก่อหอบผิวเราไปเอาตัวเราเป็นตัวหลงเอาตัวเราเป็นตัวสุขเอาตัวเราเป็นตัวทุกข์รับใช่ความหลงรับใช่ความสุขรับใช่ความทุกข์เป็นที่ค่าของความหลงเป็นที่ค่าของความทุกข์โอ้ยไยออกมาสติเพื่อปัญญาเป็นการไยออกมามันทันทีทันใดมันซึ่งใจพูดแล้วผู้เด็กเวลาใดมันหลงรู้เสกตัวเนี่โยโอ้ย เวลาได้มันทุกข์รู้สึกตัวเนี่ยเวลาได้มันโกรธรู้สึกตัวเนี่ยเป็นศินละปะเป็นกีฬาของชีวิตรเรามันต้องได้ชีวิตแบบนี้นะการปฏิบัติธรรมนี่ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังสิ่งที่พูดอยู่นี่ทุกคนก็ผ่านหน้าผ่านตาผ่านมือผ่านการการะทําเราอยู่ไม่ใช่พูดนอกว่าที่ไหนเป็นเรื่องที่เราเห็นกับตาทํากับมือเราสัมผัสอยู่ คมหลงก็เคยสัมผัส ด, ดูควาลูกก็เคยสัมผัส ด, ดูแต่ว่าให้มันพอเหมาะพอดีเวลาใดมันหลงกับลูกให้หลงกับลูกไปลูกไปให้เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านเป็นเจ้าของมันจึงจะเห็นจึงจะรักษากายใจได้แต่ากายใจอยู่ตรงทื้อื่นสติอยู่ที่อื่นนก็ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่บ้าน มีบ้านเราเขาไว้โน้่นแต่เรามาอยู่นี่ น, นั่นก็เป็นสมมติบัญญัติแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นกายกับใจเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเราเรายังเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเลือกสวนไรนาเรายังดูแลรักษาเ น, นี่กายใจมันอยู่กับเราแท้แท่ทำไมเราจะทำไม่ได้ทำไมจะรักษามันไม่ได้ ทำไมจะดูแลมันไม่คุม้มทำไมจะช่วยมันไม่เป็นแต่ช่วยไม่ได้จงนี้ที่มันเห็นกับตานี่ยไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วชีวิตของเราอานปฏิบัติทำก็การมาช่วยมาดูมาแลให้มันพ้นภัยอยากให้มันมีภัยเนี่ยปฏิบัติทำคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัว